ก็อย่างที่ที่ในสูตรก่อนใช่ไหมที่พระองค์บอกว่าภาหารที่ที่สำเร็จเป็นภาหารแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านั้นจะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งว่าว่าไง พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพระองค์ฝึกเสร็จแล้วก็ยังสอนเพื่อให้คนอื่นฝึกด้วยพระองค์สงบระงับดับกิเลสแล้วก็สอนให้ผู้อื่นสงบระงับดับกิเลสด้วยพระองค์ข้ามพ้นจากวัตตะก็ยังสอนให้คนอื่นข้ามพ้นจากวัตตะโอคาด้วยพระองค์ดับกิเลสเสร็จแล้วก็ยังสอนเพื่อให้คนอื่นดับกิเลสด้วยเนี่ยนะพันการแสดงของพระองค์จึงเป็นการแสดงธรรมในลักษณะนี้แลเนี่ยนะทีนี้ ต่อไปอีกบอกว่าเพราะพระองค์แสดงธรรมให้ผู้ใดฟังก็ตามแสดงเพื่อการรู้แจ้งทีนี้ในหน้าหน9้เกานี่ยนะกลางหน้าอีกว่าอัขิเวสนะในที่สุดคาถานั้ น, น, น<ๆ>เมื่อพระองค์แสดงธรรมหยุดแต่ละวักแต่ละวักเนี่ยนะแต่ละวัที่ผู้อื่นอนุโมทนาเนี่ย เรานั้นยังจิตอันเป็นภายในอย่างเดียวให้ตั้งพร้อมอยู่ให้สงบให้ตั้งมั่นทำสมาธิเป็นมีอารมณ์เป็นอันเดียวผุดขึ้นในสมาธินิมิตที่เราอยู่ตลอดกับเป็นนิดเนี่ยนะอันนี้นิหมายคำว่าไงไปดูหน้าอัตตกฐานหน้าหนึ่งร้สี่ิบสองเนี่ยอธิบายว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตสมิงเยวะปุริมสมิงไว้อย่างไรได้ยินว่าสัจจการนิครนคิดว่าพระพระโคโดมเนี่ยมีพระรูปงามนักน่ารักฟันเนี่ยเรียบชิวหาอ่อนสนทนาได้ไพเราะเห็นจะเที่ยวไปยังบริษัทนะยินดีแสดงว่าอะไรแหมรูปสวยรูปงามพูดเสียงเพราะอย่างนี้มันก็เหมือนกับนนะักร้องมังเที่ยวขับกล่อมให้ประชาชนเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่ง แสดงว่าสมาธิจิตในภายในเอกคตาจิตของพระสมณะโคโดมไม่มีโรคก็คือใช้เวลาล่วงกับความที่ตัวเองเป็นคนรูปงามใช่ไหมฟันเรียบลิ้นอ่อนเสียงเพราะพูดแล้วคนก็ชอบมันชีวิตของพระองค์ก็มีความสุขในการพูดให้คนอื่นฟังก็แปลว่าอาชีพนักร้องอะนะลำดับนั้นพระองค์ก็เลยตรัสอย่างนี้เพื่อจะแสดงว่าอาคิเวสนะ ตถาคตเที่ยวยังบริษัทให้ยินดีตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัททั่วจักรวาลตถาคตไม่มีจิตใจหดหูด้วยทีนามิทะทีนมิทะไม่แปดเปื้อนตถาคตประกอบเนื่องๆซึ่งภะละสมาบัติคืออรหัตผลสมาบัติที่เป็นสุ ญ, ญตะเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างเอกอหาประมาณไม่ได้ดังนี้เท่านั้นเนี่ยนะวา่าก็เรียกว่าเป็นอารมณ์สงบภายใน จริงอยู่ในขณะใดบริษัทย่อมให้สาธุการหมายความพระองค์แสดงธรรมตับคนฟังก็สาธุเป็นต้นนะคนฟังว่าฟังโอ้ดีสาธุสาธุขณะที่สาธุนั่นแหละพระตถาคตกำหนดส่วนเบื้องต้นเสร็จแล้วก็เข้าพระสมาบัติเมื่อเสียงกึกก้องแห่งสาธุการยังไม่ขาดโรงก็ออกจาก สมาบัติแสดงธรรมตั้งแต่ที่พระองค์ตั้งเอาไว้แล้วหมายคำว่าแสดงธรรมแล้วไปพักในระหว่างเพราะเขาอนุโมทนาใช่ไหมอนุโมทนาวาสาทุพระองค์ไม่ได้อยู่ฟังเสียงสาวทูด้วยโสตวิญญาณรลกเข้าพระละสมาบัติไปแล้วเพราะอะไรเพราะการพักผวังหรือผวังของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปอย่างเร็วพลันผวังนิดเดียวเนี่ยนะเข้าพระละสมาบัติแม้แต่คราวหายใจเข้า เข้าสมาบัติตอนหายใจเข้าก็ได้เข้าสมาบัติตอนหายใจออกก็ได้นะเหมือนเราเลยนะฟุ้งซ่านตอนหายใจเข้าก็ได้ฟุ้งตอนหายใจออกก็เป็นเนี่ยนะโกรธก็หายใจหายใจเข้าได้กลิ่นบางอย่างก็โกรธแล้วช่หายใจออกเพราแม่แหม่หายใจยากเหมืกันก็โกรธได้ทุกเวลานะชำนาญเหมือนกันนะแต่คนละด้านกันนะแต่ว่าคนที่ก็ฝึกในด้านดีมาเนี่ยก็ชํานาญในอะไร เข้าพระสมาบัติเพราะนนอ น, นี่จังปั๊บก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วทุกขังก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อไปเลยได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะชำนานไว้มาก บทว่าเยนัสุดังนิจ ก, กับปังเราอยู่ด้วยพระสมาธิอันเป็นสุญญติได้ตลอดการเป็นเนืองนิดแสดงว่าเราประคองจิตไว้ในสมาธินิมิตนั้นอ่ะ น, นะพระองค์ประคองจิตไว้กับสมาธินิมิตเนี่ยนะเมื่ อ, อไรอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าพระองค์ไม่ได้มีความสุขกับการเที่ยวร้องเพลงกล่อมคนอื่นไม่ใช่ในลักษณะนั้น พระองค์มีความสุขในภายในโดยลำพังพระองค์แล้วพระองค์แสดงทําให้คนอื่นฟังก็แสดงเพื่อให้เขารู้ยิ่งสอนเพื่อให้เขาตรัสรู้แต่ไม่ใช่มีความสุขในการพูดไม่ใช่สแสวงแบบแม้เป็นนักพูดนะนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยชอบพูดมากต้องเที่ยวหาเพื่อนที่แบบคอยพูดไปคือชอบพูดมากความที่มีความสุขในการแบบพูดนะนะก็เลยหาแต่เพื่อนพูดเพื่อนคุยอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไร เพราะมีความสุขในการพูดการคุยมีความสุขที่คนอื่นก็มายอมรับพระ อ, องค์คงเป็นอย่างนั้นมัง้งบอกพระ อ, องค์บอกไม่ใช่อย่างนั้นพระ อ, องค์แสดงตามก็แสดงเพื่อให้เขาตรัสรู้นั้นระหว่างนั้นพระ อ, องค์ยังเข้าสมาบัติไม่ได้ติดพันติดห้องในคําชื่นโชมาโนโมทนาเสียงของเขาเหล่านั้นร้อเนี่ยนะเออนี่นะคําของพระสมณโคดมควรเชื่อได้สมกับคําของพระอรหันตสัมสมาสัมพุทธเจ้า อ่ะ น, นะก็คื อ, ค, อคือพูดไปพูดมามันก็แบบพูดไปพูดมามันจําเป็นต้องยอมรับโดยหลักการฮนะคือเนื่องจากพระพุทธเจ้าอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเออควรจะเชื่อได้ใช้คําว่าควรจะเชื่อได้เออมัน พ, พ, พ, พอทพอที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่ออยู่หรอกเออที่พูดมาทั้งหมดมันก็น่าเชื่อนะเพราะพระอรหันต์ท่าอรหันต์พูดก็แปลว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ะนะทําไมอ่ะก็บอกว่าแม้คําพูดนี้มันมันพอที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเพราะคนเป็นพระอรหันต์พูด เขาบอกอเอ้ยพูดอย่างงี้มันน่าเชื่อนะแสดงว่าคนพูดเนี่ยระแวงครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ไหมหรือไม่ได้เชื่อจริงๆเออพูดน่าเชื่อเนาะพูดน่าฟังเนาะอะไรเงี้ยนะคือคําพูดบางทีเนี่ยมันบอกเป็อะไรเออหน้าเอานะเห็นสมมติเห็นเห็ น, เ, หนเราไปดูเสื้อผ้าใช่เออนี่หน้าเอานะแล้วเอาจริงป่ะไม่ได้แปลว่าเอาจริงใช่ไหมเออหน้าได้นะเออถ้ามีบ้างก็ดีเนาะ คำพูดแบบนี้แปลประกาศถึงว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเท่าไร่หรอกเนี่ยก็เหมือนการบอกแม่พระพุทธเจ้าพูดน่าเชื่อนะก็แล้วไม่ได้เชื่อเท่าไราหรอกเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าในอัตกถาเขาพูดดีนะ ด, ดูในหน้าหนึ่ง้ายสี่สองข่ายอหน้าข้างล่าง เขาบอกว่าสัจการนิครนเพื่อจะถามพระพุทธเจ้าคือว่ายกเอาปัญหาซ่อนชายพกมาคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ที่เข้ามาคุยเนี่ยแหมพระองค์เนี่ยมีเรื่องกายภาวนาจิตตภาวนานั้นอันนั้นเป็นปัญหาฉาบเฉวยไม่ใช่ปัญหาที่เขาสนใจอย่างแท้จริงที่จริงอ่ะเขามีปัญหาชายพกมาเขเรียกว่าปัญหาเก็บมาในกระเป๋าเนี่ยนะธุระสาคัญก็งัดออกมาคือว่าปัญหาชายพกก็คือธุระสาคัญนั่นแหละ บทว่าอะพิชานาติปณะพวังโคตโมทิวาสุปิตาเหมือนอย่างว่าขึ้นชื่อว่าสุนักแม้จะกินอาหารข้าวปลาญาติที่หงด้วยน้ำนมปรุงด้วยเนายาสจนเต็มท้องเห็นคูดแล้วเคี้ยกินไม่ได้ถึงเห็นคูดตัวเองกินไม่ได้แต่ก็ไปเลยไม่ได้เมื่อเคี้ยวไม่ได้ดมก่อนก็ยังดีแล้วค่อยไปเพงั้นน่ะนะแต่ถ้าถ้าสุนับ น, นองเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ ได้ยินว่าเมื่อมันไม่ได้ดมกลิ่นมันก็จะปวดหัวเหมือนนะสุนัข ก, กันนะถ้ามันบอกว่าเอา้ากินอิ่มมาแล้วมันเน้นอุจจาระของมนุษย์กองไว้ตรงนู้นเนี่ยนะสร็จแล้วอา้ากินยังไงก็กินไม่ได้ละไปดมหน่อยก็ยังดีแล้วกันแล้วค่อยเดินไปถ้าไม่ได้ดมเนี่ยมันปวดหัวก็บอกกัญชันใดสัจกะนิครนก็เหมือนกันขณะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ออกบวชจนถึงพระองค์สิ้นอาสวะเนี่ยนะ เหมือนกับสุนัขเห็นข้าวปลาญาติที่หงด้วยน้ํานมล้วน น, นะก็เหมือนกับแม่หงุข้าวปลาญาดให้ใ ห, ให้ให้สุนัข ก, กินอ่ะ น, นะส่วนสัตจการนิโครนั้นฟังพระธรรมเทศนาเห็นปานนั้นก็ไม่เกิดแม้เพียงความเลื่อมใสในพระาศาสดาไม่ได้ศรัทธาเลยนะนะเออพูดน่าเชื่อนะอะไรนะก็ก็เป็นอย่างนี้นะคือคนยังไม่เชื่อกันเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่เชื่อหรอกเชื่อไอคนที่พร้อมจะเชื่อถูกหลอกก็ยังเชื่ อ, ออีกนั่นแหละ คนที่ไม่เชื่อพูดจริงคนจริงใจขนาดไหนมาพูดก็ไม่เชื่อนี่ยบางทีก็ต้องดูธาตุแท้ของเราเหมือนกันนะสรุปเขาบอกว่าทีนี้ถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบที่อรหั ต, ตผลนะถ้าไม่ได้ถามปัญหาอันนี้ก็กลับบ้านนอนไม่หลับแน่นอนมังนงั้นนะก็เลยจะถามปัญหาอันนี้ น, น, น, นะถามปัญหาอะไรถามปัญหาที่ผูกมาในชายพกหน้าหนึ่งร้อยี่สบเก้าว่าพระสมณโคดม ท่านจําได้อยู่หรือเรื่องนอนหลับกลางวันน่ะนะในเรื่องของเรื่องก็คือว่าจะมาเนบว่าท่านนอนกลางวันนะนะเป็นพระพุทธเจ้ายังไงนอนกลางวันเหมือนเป็นพระอรหันต์ยังไงนอนกลางวันท่านจําได้ไหมว่าท่านนอนกลางวันกระขณะเรื่องโอ้โหคนที่นี่มันหาเรื่องไหมก็ทั้งเรื่องผักนอนกลางวันน่ะนะงีบกลางวันก็ยังเอามาหาเรื่องได้อะอคีเวสนะเราจําได้เมื่อเดือนท้ายฤดู ร้อนเนี่ยนะเรากลับจากบินทบาตภายหลังพัดก็ปูผ้าสังขาติสี่ชั้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะยังลงสู่ความหลับโดยตะแคงื่องขวาเพราะว่านอนนอนตะแคงขวาเนี่ยนะคือธรรมดาเนี่ยร่างกายของผ้าหันเนี่ยนะอาจจะอ่อนเพลียในเรื่องรู ป, ปกายเปรียบเหมือนอะไรดอกบัวมันก็ยังมีเวลาเวลาอะไรนะเวลาบานเวลาหุบ ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะบางทีก็ก ว, กวยก歪พันก็ต้องเข้าพวังก็จะช่วยผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าทีณมิทาที่เป็นเหตุให้ง่วงนั้นอ่ะผ่ารหั์สเสร็จแล้วแต่ก็ต้องมีการพักผ่อนในทางร่างกายพันพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เคยพักอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ประเด็นว่าท่านเคยนอนไหมนอนกลางวันไหมเคยหลับกลางวันไหมบอกเคยก็เข้าทางเลยนะพระโคดม สมณะพราหมูพวกหนึ่งนะเขาดา่าเตียนๆแบเขาด่าว่าเพราะอการนอนกลางวันอย่างนั้นแหละเรียกว่าอยู่ด้วยความลุ่มหลงนี่แหละอยู่ด้วยอาการลุ่มหลงอย่างแท้จริงเลยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยยังหลงอยู่นะทําไมอะ่ะนอนกลางวันพระองค์ก็ตรัสว่าอัขิเวสนะเนี่ยนะ บุคคลจะเป็นผู้หลงหรือไม่เป็นผู้หลงด้วยอาการเพียงเท่านี้ก็หาไม่โง่หรือไม่โง่นั้นไม่ได้อยู่ที่หลับกลาง ว, านวาันร้องเหมนั้นอคีเวสนะแต่ว่าบุคคลจะเป็นผู้หลงหรือไม่เป็นผู้หลงด้วยอาการใดท่านจงฟังอาการนั้นจงทําไว้ในใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวสัจการนิครนก็ฟังกันนะเขาก็อยากฟังเหมือนกันเพราะพวกนี้ไม่อิ่มในเรื่องการเรียนเนี่ยนะพวกนี้เป็นนักวิชาการท้าสมัยหมายก็เป็นนักเรียนนักฟังนักอ่านโอ้ย กนได้มีความสุขในการรับข้อมูลข่าวสารมากเนี่ยนะเพราะเออมีเรื่องใหม่มาเล่าดีชอบฟังต่อพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอคิเวสนะก็บุคคลผู้หลงหลงก็คืองโง่เขานั้นเป็นอย่างไรอคิเวสนะอาสวะเหล่าใดที่ละคนด้วยความเศร้าหมองอาสวะที่ นำเกิดในภพใหม่เป็นไปด้วยกับความทุรนทุรายมีทุกเป็นผลอาสะวะที่เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปอันใครใครละไม่ได้เราเรียกคนนั้นแหละว่าเป็นคนหลงใครที่ยังละเหตุที่นำเกิดไม่ได้นะคนนั้นแหละคือคนหลงจริงอัขิเวสนะด้วยว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนหลงก็เพราะยังละอาสะวะทั้งหลายไม่ได้ นะอาสะวะเหล่าใดที่นำเกิดในพบใหม่ชาติใหม่เนี่ยนะใครละไม่ได้คนนั้นเป็นคนหลงอคีเวสนะอาสะวะเหล่าใดละคนด้วยความเศร้ามองนำมาซึ่งพบใหม่อันเป็นไปด้วยความทุรนทุรายมีทุกเป็นผลเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปอันใครใครละได้แล้วเรากล่าวว่าเป็นคนไม่หลงพระหันไม่หลงไม่ง้เนี่ยนะเพราะท่านตัดกิเลสเป็นเหตุนาเกิดได้หมดแล้ว อคิเวสนะอาสวะเหล่าใดาาละคนด้วยความเศร้ามองนำเกิดซึ่งพบใหม่เป็นไปด้วยกับความทุรนทุรายมีทุกเป็นผลเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะต่อไปตถาคตละเสียแล้วทำให้มีมูลรากขาและ ว, วถอนรากถอนโคนหมดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนต้นตาลยอดด้วนไม่ให้เกิดมีอันไม่เกิดต่อไปอีกเป็นธรรมดาอคิเวสนะ เปรียบเหมือนต้นตาลที่มียอดอันขาดแล้วไม่ควรที่จะงอกงามฉันใดอาสะวะเหล่าใดอันรคนด้วยความเศร้ามองนำเกิดในชาติใหม่เป็นไปด้วยกับความทุรนทุรายมีทุกเป็นผลเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปตถาคตละเสียแล้วทำให้มีมูลรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งอยู่ดุดต่อของต้นตาลไม่ให้เกิดขึ้นมีอันเกิดต่อไปไม่ได้เป็นธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นแล อันนี้เขาเรียกว่าพระองค์ไม่หลงร้องเน่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสัจการนิครนก็กล่าวคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคดมน่าอัศจรรย์พระโคดมเรื่องนี้ไม่เคยมีใครว่าอัจฉริยะอภูตธรรมไม่อัศจรรย์เหลือเกินอัศจรรย์ของนิครนเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ตรงหมาแสดงคําได้ไพเราะลึกซึ้งไม่ไม่ได้อัศจรรย์ตรงนั้นอะไรหรอกอัศจรรย์ของของสัจการนิครงเขาอัศจรรย์ว่า พระสมนะโคดมเนี่ยนะถูกผมว่ากระทบอยู่อย่างนี้ถูกรุมด้วยถ้อยคําที่บุคคลนําเข้าไปเปรียบเทียบถึงเพียงนี้แปลว่าอะไรพูดกระทบพูดเสียดพูดสีพูดเน็บพูดเรียกว่าพูดหยิกพูดหยอกพูดทิมพูดแทงพูดอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะผิวพรรณของท่านก็ยังผุดผ่องสีหน้าพระพักก็ยังสดใสสมกับเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เนี้เหตุผลแม้ถูกกระทบกระทบกระทั่งขนาดนี้ยังไม่โกรธเลยเนี่ยนะ นึกว่ามันได้ว่าคำตอบที่ตอบมันลึกซึ้งอะไรบอกไม่รเราเหตุเขาดีใจไหมเออเก่งนะดีนะไม่โกรธเนี่ยนะเขาทบขนาดนี้น่าจะโกรธแต่ไม่โกรธอู้น่าอัศจรรย์เหลือเกินเนี่ยนะพระโคโดม ข้าพระ อ, องค์คือข้าพเจ้ายัางจําได้เรื่องเคยเคยเค ย, เคยปา ร, รถถ้อยคําสนทนากับถ้อยคํากับพวกครูปุรณะกสปะอจิตะเกษกัมพลมคคิลิคโคสารปกุทธกัจจยนะสันชัยเวรัตถบรนิครณหน้าตบทเนี่ยนะเคยไปคุยมาแล้วพวกครูปุรณะกสปะเป็นต้นถูกข้าพระองค์ปารถด้วยถ้อยคําเข้าแล้วก็โต้อตอบด้วยคําอื่นถามอย่างหนึ่งก็ไปตอบอีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็นําถ้อยคําลีกออกไปภายนอกเสร็จแล้ว หนักๆเข้าโต้ตอบกันไม่ไหวทำความกโกรธความปะทธร้ายความเครียดความเครียดแค้นให้ปรากฏกรอดกันหมดเลยเนี่ยนะแม้ไปถามยั่วสักกโกรธหมดอ่ะนะยั่วจนอาจารย์โกรธนี่ก็ถือว่าศักดิ์สีนะเก่งนะแม้ถามสักเขาโกรธเลยเนี่ยนะ